คง่อธรรมะที่จะเทศในวันนี้เทศที่เรือกธรรมฝังอยู่ในโลกคือว่าคนเราเกิดขึ้นมาต้องเกิดมาในโลกต้นตรวงเราทั้งหมดเรียกว่าโลกพูดทั้งเรื่องโลกแล้วพุทธองค์ไม่จะเทศกว้างฝังแงเทศเฉพาะรูปกัโลกรูปกัโลกคือดวงคนเรานีเอง เนีย่ยตัวโลกนันโลกภายนอกดินหนา้าดินฟ้าอากาศภูเขาป่าเถื่อนอะไรต่างๆนั้นท่านไม่พุดเรื่องนของภายนอกทั้งพูดก็มีที่สิ่นสุดไม่เป็นไปเพื่อทางค้นจากุกโลกนะท่านแสดงเรื่องคันธโลกโดยเฉพาะคือรูปการตัวคนเรานี้ ทีจเทศในวันนี้จะพูดทั้งเรื่องธรรมมีอยู่ในโลกคือโลกที่ว่านี้คนเราเกิดขึ้นมาได้โลกทุกเป็นโลกแต่ละโลกคือแต่ละคนมีเป็นโลกอยู่แล้วเป็นฐันโลกอยู่ล้วธรรมอยู่ในนี้แหละไม่มีอื่นไกลจากนี้นอกจากนี้แล้วไม่มี ตามตำราท่านเจียงบอกว่าโลกกระทำคนเรามีโลกกรทำเดียโลกกระทำแปดมีสุขมีทุกข์คู่กันมีหมดคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองมีลาบมีเสื่อมลาบคู่ที่สามมียศเสื่อมยศ ผู้ที่4ี่นี้เปนเสื่อมิทาาเป็นคู่กันดูขี่คู่ก็เป็นแปดเรียกว่าโลกกรรม8แปดโลกกรรม8แปดไม่ได้มีในที่อื่นมีแง่ตัวโลกอันนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องสุขก็คือสุขกายสบายใจ ถ้าจะพูดทังเรื่องทุกข์เลยคือทุกข์กายทุกข์จิ ต, ตคงจะพายกันเคยเข้าใจและพิจารณามาได้ทั้งเรื่องเจ็บไข้ใดปวดไม่สบายมีเรียกว่าทุกข์กายแม้ที่สุดจะกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็ง น, นี้ก็เรียกว่าทุกข์งนัน้นมันเรียกว่าทุกข์กายทุกข์ใจคือความ เศ้าโศกเสีสสยใจอะไรอาบ่อนเดื อ, รอดร้อนนดระยการต่างๆเนี่ยวร้อนจันั่เนเรียกว่าทุกข์ใจสุกข์กายคือว่าสุขภาพอนามัยอุดมสมบูรณ์การไดจากโลภพาภาพเนี่ว่าสุกขตายทุกขใจคือว่าได้แก่จิตใจเบิกบาน พาดไจากอารมณ์เดือดร้อนยิ้เพ้อเซนสนุกเฮหาหันษาอยู่ด้วยอารมณ์ต่างๆ น, นี้เรียกว่าสุขใจนี่เป็นคู่น่คู่ทุกข์กับสุขแล้วก็คู่นี้แหละทุกขกับสุขคู่นี้แหละมาแยกเราเป็นสุขตายสุขใจสุขตายสุขใจ ถ้าจะโปรยเป็นสี่อันนี้มีแล้วก็หายจากความมีเรียกว่าได้แล้วก็เสื่อมจากการได้นี่เป็นคู่ที่สง อ, สองการพัเนี่ยมีลาบและเสื่อมลาบลาบคือการได้ได้แล้วก็เอาเถิดมดอย่างการที่ได้เรียกว่าได้เรียกว่าลาบ เมื่อได้สิ่งใดมาแล้วสิ่งนั้นหายไปมันก็เข้าหลักเดิมอีกเหมือนกันได้เมื่อไปดีใจชอบชอบใจสิ่งที่ตนได้มาสานาณสิ่งใดได้สิ่งนั้นก็เรียกว่ามีความสุขแต่สิ่งนั้นมันก็ไมแน่นอนทาบอนมันก็จะต้องเสื่อมสูญไปพูด ง, ง่ายโดยเฉพาะได้รับพาสือตัว กายร่างกายของเราที่เรียกว่าโลกในมบื้องต้นนั้น่เทวคุณในมบื้องต้นนั้นได้มาตั้งแต่ปฏีสนธิที่สมื่อเกิดมาจะมาทาทอดมาอาจจะาบางขายสมบูลณ์เบื้องบนเรียกว่าเราได้เมื่อได้มาแลว้วก็ต้องเสือ่อมค่อยเสือ่อมไปทีละนิดทีละน้อยคือแก่เฒ่าชราคําพาาเสือ่อมสูญหมดไปหมดไปแห้งแหงสุดโทรไป คำว่าเสื่อมในที่นี้เนี่ยคนเข้าใจไกลครับไกลเกินไปเสืส่อมก็ตั้งหายวักไปนี่เรียกว่าเสื่อมอันนั้นยังไม่มได้ยังไม่ได้ปรงดองหลักธรรมไม่ได้ถึงธรรมแท้าพูดทั้งเรื่องธรรมจะแท้แล้วพอได้ก็เสื่อมไปพร้อมกันเลยดังอธิบายนี้พขเกิดมาก็เสื่อมไปพร้อมกันก็บควาเกิดนั้นแปลสภาพไปเรียกว่าเสื่อมไปแต่ว่าได้แล้วแต่ หายไปในตัวพร้อมไปในกับการได้แล้วเ น, นีอย่างปฏิสนธิเกิดขึ้นมาปฏิสนธิในควันในควันของมานด่างเบื้องต้นมัแปลสภาพมาตั้งแต่เป็นน้ำมันไดใสมาแปลเป็นก้อนเลือดมาแปลเป็นน้ำ่างเลือดมาแปลเป็นก้อนเลือดมาแปลเป็นปัญจข า, าแห่ง Inequ, คือหัวนคือแขนสองขาสองกับหัวอันหนึ่งจนกระทั่ ง, งแปรเสื้อผ้ามาจนอุดมสมบูรณ์ทุกขิ่นทุกส่วนจนคลอดออกมาแปรมานี่เลยมันเสื่อมมันหายไปได้แล้วมันหายไปที่วันะจนกระทั่งเป็นเด็กคลอดออกมากลายจากเด็กมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นแก่เป็นชราทำรูปทุกโฉมเลยสนที่สุด เคแตกดั บ, บ, บสะพัดมีวันได้แล้วก็เสื่อมไปในตัวถ้าหากพิจารณาอย่างนี้นั้นเห็นชัดปรากฏชัดขึ้นมาเชื่อมั่นในธรรมคำสอนที่จะเรียกว่าได้แล้วเสื่อมอันนี้ถ้าหากเราจะพูดส่วนไกลออกไปอย่างเราได้ เงินในท้องเขาของพระประตูสิ่งใดได้มาแล้วมันก็ต้องมีอาการที่จะต้องเสื่อมไปแล้วนึ่ได้ไม่ไม่ใช้จ่ายมีประโยชน์อะไรแ้่มันจะต้องใช้จ่ายใช้จ่ายก็ต้องหมดได้มากมาก็ต้องเรียกกว่าได้เรียกว่าลาบแล้วก็ใช้จ่ายมันก็หมดนี่แหละเรียกวานได้ลาบเสื่อมลาบอันนี้ส่วนภายนอกวัตถุที่ภาคธงมองเห็นอยู่ อันนี้ภายในใจแล่านั้นอันใดขึ้นได้ขึ้นมาในใจอังไงคือได้ความพอใจดีใจอิจใจอันนั้นก็จะต้องหายไปจากความอิ่มใจพอใจดีใจเหมือนกันในวันหนึ่งครั้งหนหรืออาจจะในปัจจุบันนั่นก็ได้ดังเราจะเห็นได้เป็นบางคนบางครั้งบางข่าวหรือติดใจงราอาจจะกลายเป็นแบพอได้จริงแด่ไม่ชอ บ, ชอบก็ชอบใจถูกสใจของ เกิดยิ้มแย้มเกลียดข้าในขณะเดียวกันมีอารมณ์อะไรมากระทบเขาใช่ไหมเป็นเหตุอะไรพอาะอกพอใจก็จะเกิดเศร้าโศดเสียใจร้องไห้ร้อง ห, องหงม่มเป็นทันทีเันเด็กก็ได้อันนี้เข้าหลักที่ว่าได้มาแล้วเสื่อมได้ร่าเสื่อมล่ามีเป็นคู่ที่สองถ้าพูดถึงเรื่องภายนอกกับภายในกันมีทั้งสองอย่างอย่างอธิบายมาแล้วเพื่อมีทั้ง รูปมีทางนามกายกับใจได้ยศเสื่อมยศยศคือความยกย่องชมเชยกันรเสริญยกว่ายศปริวาลยศคือคนห้อมล้อมมากมายล้งหลายอย่างปริวาลยศอันนี้ก็เช่นเดียวกันชมเชยเกิดขึ้นมาเพราะควาชอ ถ้าเขาไม่ชอบเขาเป็นนกโทษมินทามความชมเชยสนุกสนานที่เราได้เนไม่ใช่มันตลอดรอดไได้ขึ้นมาเดียวก็หายไปคือว่าคนที่เวลาเขาชอบใจเขางกน้องชมเชยสนุกสนานนีนจะคิดหรือถูกนี่จะดีหรือชั่วกระชั่งถ้าถูกก็ถิงใจเข า, าชมเชยสนุกสนานเรียกว่า ันะเสริมเกิขึ้นถ้าเขาไม่พอใจเท่ากนันุกคนผ่านคนคนเดียวเองว่ามีการเสื่อมไม่เทียงกันพระบอกนี้นกันถ้าหากเรามีธรรมะเป็นเพื่อนอยู่เรามาอาศัยลมปากของคนอื่น ยกยอ่อชมเยนะเสด็จนายกโทนิมานแล้วอาร์ใส่ตัวเราตัวของเราท่านทดีแล้วในหะ้ใจชมกอนถังใหยติก่อถังเรเชื่อมันในคนดีไม่ต้องวหวัน่นหอันนี้เดีย ว, วาทากายจากทำเกิดจากโลกคือโลกธรรมที่วันไหวอยู่นั่นเนี่ยเรียกว่าชนเสด็จนะยินทษ ได้ล่าเสื่อมลาภได้สุขได้ทุกข์เล่าทุกข์ได้สุขมีทุกข์และมีสุขเป็นคูน่ได้ลาภและเสื่อมลาภเป็นคูน่ได้งดงงงงดยงตื้น่อสงสนัตเฉยเลเสื่อมงยงตื้นนิมทาและสนัสเฉยเป็นคูน่รวมกันเป็นแปดคู่คนเรานั่นน่ะ ที่เกิดขึ้นมาในโลกอันนี้มนะ่นมีธรรมแต่ประการนี้แหละเอมเปี่ยกอยู่ในจิตใจของทุกคนเลยทําไมยังต้องเรียกว่าธรรมทาไมจะไม่ได้เรียกว่าโลกถ้าเรียกว่าโลกกับธรรมคือธรรมของโลกนั่นเองสมบัติของโลกนั่นเองอย่างเรามีรถมีลาเรามีบ้านมีเรือนเงี้ยเ้าก็บอกว่าเรือนพวกคนนั่น รถคนนี้แะไรต่างๆเขาพูดอันนี้ที่ว่าโลกจะทำอะไรค่ายกันเหมือนๆกันทําแต่ประการนี้เป็นของโลกเป็นสมบัติของโลกเป็นเครื่องหมายของโลกนี้ทําแต่ประการนี้ยังเรียกว่าโลกทําตั้งแต่ประการ์นี่เป็นเครื่อ ง, งปัน่นขวนและทําโลกนี้ให้หมุนเวียนเปนลเี่ยนแปลงและทําโลกเนี่ยเดือดร้อนเป็นทุกข์ พุทธเจ้ายังตราเทศนาว่าโลกอ น, นี้นเป็นทุกข์เพราะโลกกระทำไอ้ธรรมยังไงล่ะคะนี้เราจะคนจากโลกได้ถ้าหากว่าโลกอันนี้นเป็นทุกอย่างที่ว่างมาแล้วนั้นเห็นโทษในโลกเป็นทุกข์เพราะมีทุกข์แล้วเสื่อมมีสุขแล้วก็เสื่อมมีลาภมียศมีเสนเสริแล้วก็เสื่อม แน่นอนทาวอนเห็นความไม่กีรังทาวอนแน่นอนอย่างนี้จริงเป็นเหตุให้เบื่อทึงเรื่องโลกไม่ยินดีพอใจในโลกให้ระวังตัวอีกถ้าหากแล้วเบื่อแล้ว เ, เกลียดโลกชังโลกเดี๋ยวบัรยากายเป็นโลกกระทำอีกชั้นสองถ้าเบื่อไม่เป็นเกลียดนายไม่เป็น จะเป็นโลกกระทำชั้นสองขึ้นมอีกยิ่งเกิดทุกข์ใหญ่กลุ่มใจมากขึ้นอีกคือทุกจริงทุกอย่างนั้นเบื่อหน่ายและเกลียดชังทั้งหมดแล้วนั่นแหละมงโลกกระทำใหญ่นักก็พอ ไ, ไม่เป็นธรรในหัวข้อดี่ว่าทําเกิดจากโลกนั่นไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือถ้าหากเราเห็นโทษเห็นทุกข์ในโลกแล้ว อราจะต้องพยายามแก้ไขไม่ให้เป็นทุกข์ถึงแม้อยู่ในโลกก็ยัให้เป็นทุกข์อุบายทางที่ยังแก้ไขไม่เป็นทุกข์มีมากมายที่พระพุทธองคสอนทำทั้งหลายที่พระองค์สอนปแปดหมื่นสี่พันเราผ่นตามตํารายท่านแสดงไว้นั่นน่ะก็เพื่อแก้ตรงนี้แต่ไม่ได้แก้อื่นใจแก้โลกจะทำเองเพรามันจําเป็นแล้วเกิดขึ้นมาในโลกนไม่ทราบจะไปหนีไปไหนจะพน้น ดังอธิบายมาแล้วในบื้องต้นบอกว่าตัวของเราเป็นโลกจะไปไหนก็เอาไปด้วยโลกโลกก้อนนี้ต้องเอาถามไปด้วยทุกแห่งเหนือร่างกายไปไกลไปไกลไปที่ไหนเอาไปหมดแบกไปด้วยหามไปด้วยในจตำนานที่ท่านแสดงถึงเรื่องวิธีแก้โลกให้เป็นธรรมในเรื่องทั้นหาท่านแสดงเรื่องทั้นหาก็อารมณ์กระทำนี่ ลูกกับนามเองสี่ใกัะติดเนี่ยขันหานี่คือรูปเวทนาติญญาขังหารนิญาท่านาแสดงให้เห็นโทษเสก่อนท่านบอกบาลาฮเวเป็นจักรันธาขันหานเป็นภาละหนักคาว่าขันหานเป็นภาละหนักน้อยนักน้อยห น, น, นาคนก็ภาวนาแล้วไม่พิจารณาทำไม่เห็นทำไม่รู้เรื่องเลย บางทีอาจจะไม่คํานึงคิดถึงแค่ว่ามันหนักเพราะเหตุหอะไรยิ่งคนเมาเท่านั้ น, นยิ่งไปกันใหญ่ไม่รู้องกว่าขะชังห่าเป็นหนักเป็นของหนักเห็นขังห่าเป็นของจริงนอกจางเห็นกระชงห่าเปนกระชังห่าเป็น้นนองดีวิเศษวิโสเลยเอากันห่าเป็นเครื่องปวดห้างขึ้นทางในใจเป็นเครื่องปวดชันโช้ดเชยชูขึ้นในใจคําว่ากันห่าเป็นของหนักในที่ น, นี้นั้นถ้าหากเราเพิจารณาถึงของจริงแล้วเนะี่ะ มันหนักเราแท้จริงๆเครื่องเป็นภาระทั้งเจ้าหน้าทนะีภาระจะต้องปฏิบัติกรอนปืเลี้ยงดูทุกสิ่งทุกประการบริหารทุกรอบทุกด้านรอบด้านเราข่ะคนอื่นจะทําแทนไม่ได้เราต้องทําตนเองบริหารตนเองกลอนปือตอนเองถึงแม้คนอื่นจะหาขั้นแรกเขาเข้าของดี ด, ด, ดีมีค่า ราคาสูงสูงมาให้ทานก็เราเป็นคนทานดีๆก็เดือดทันไม่ได้เวลาทานเราไปรดชาติอริสอร่อยหรือไม่อริสอร่อยชอบไม่ชอบก็เราเป็นคนรู้ดีๆเนี่ยนี่มันเงินพระละนี้นะเขาเดือดทานแถมไม่ได้ขนาดเจ็บหัวปวดท้องขนาดเป็นไข่ด้วยหนาวคนอื่นแถมไม่ได้เด็อดขาดเราเป็นคนรับพระะคนเดียวทั้งนั้น จะมาพูดทั้งหยาบหที่เห็นกันง่ายๆทานอเ็กอร่อยเวลานั่นก็นสนุกสบายลืมตนลืมตัวเออร์คุยโม่อะไรสนุกทีเดียวแหละแต่เวลามันทุกข์มาให้มันต้องหอบไปทิ้งทุกข์อีกหอบทุกข์ไปทิ้งอีกตรงนี้ทุกข์มากห้านมื่อกลัวเวลาเาขาเแลาเราเปิดเวลาแล้วทานนองอยากให้คนอื่นดู ให้คนอื่นเห็นชอบ อ, อกเจอบใจใครๆเห็นแ อ, อ้วมีหน้ามีเกียดแต่เวลาอาไปถ่ายทุกเททุกนแหนะปกปิดนิพพิจอย่างเงียบๆเลยนันย่นเลยนนเรื่องทุกข์ที่ว่าเป็นภาระคนอื่นแทนไม่ได้อีกใครจะมาแทนก็ไดไ้ที่เรียกว่าภาระที่มันหนักอย่างนี้นนาภาลาเวจากพันธะ บทต่อแไ้วาระฮัโลจะบุกคัลโหลพาราฮโลจะบุกคลโลทุกคนต้องรับภาระต้องคนทุกคนต้องนำไปเองแบบไปเองถามเองคนอื่นช่วยไม่ได้ถึงแม้คนอื่นจะหามไปไปเฉลี่ยหามอย่างแขนงโบราณก็ตามหรือใส่รถเฉลก็ตามนั่งรถเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเกี่ยวข้องเลยเนี่เหนื่อยหลังเหนื่อยเอวเราได้เป็นคนเหนื่อยไม่ใช่รถเหนื่อย เจ็บหลังเจ็บเอวเราเนี่ยคนเจ็บหลังเจ็บเอวเหนื่อยเพียคนเราเป็นล้มกับคนเรานั้นตัเราต้องหาอันนี้ถึงว่าพาราทุโล ก, ก, โลกเราเป็นคนนําไปทาราทานังทุกขังโลกในโลกอันนี้คือโลกขันธโลกอันนี้ที่ว่าอยู่เดี๋ยวนี้เป็นทุกอย่างยิ่ง ฮาลาธานันทุกครัง้งโอเคเป็นทุกอย่างแท้โดยแท้จริงเดทุกเพราะอะไรเพราะเราไปยึดมาเป็นตนเป็นตัวมาเป็นของเราทุกสิ่งทุกประการเธอเป็นของเร า, เราแต่ของเราที่ไหนถ้าพูดถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะและพูดตามเป็นจริงแล้วพิจารณาตามเป็นจริงอะไรเป็นเราทาี่มีเกิดแล้วก็ไม่ได้มาก่อมากเกิด ธรรมชาติน่ะมันดนบรรดานีนมาเกิดเป็นรูปเป็นกายขึ้นมาใครไปตบตบตบแต่งเอาได้ใครไปปั้นเป็นมือเป็นเท้าใครไปปั้นเป็นแขงเป็นขาเป็นหูเป็นตานั่นีม่ใครปั้นหรอกนี่นคืใครแต่งวุ่นกรรมตกแต่งใครจะว่าของเราได้งไงเอาเป็นคนมาครองเฉยเนี่ยพวกบ้านกับเราเขาเราไปช่าบ้านเขาอยู่เฉยนี่นะแล้วเกิดมาแล้วเราไปอยู่ในครองอะไปครองบ้านของ ลูกล่างนะเราเป็นคนรับภาระอย่างเราไปเช่าบ้านเขาอยู่แล้วต้องเป็นคนรับภาระให้ค่าเช่าเขาแต่เป็นปีเป็นเดือนเป็นวันก็ตามเถอะเรียกว่าเราเป็นคนรับภาระบ้านเขาร่างกายนี้เรารับภาระมันนะที่มันลำบาก มันเหิวก็หายแล้วก็ต้องหาอะไรมาให่มันมันร้อนมันเย็นแล้วก็ต้องหาอะไรมาสั้นปลาขาสางมันว่างก็ต้องไปหาบมันเย็นก็ต้องหาอา่ามอโหมมันเจ็บมันไข้หาอย่างจามมาุบมารักษาบริหารรักษามันเหนื่อยเดินแล้วก็มปนอนนอนเหนื่อยก็ต้องลุกเหนื่อยนั่งยืนเดินต่อไปอีกเรียนวิญาบทอะไรเรี่ยเพระเหตุที่เรารับผานะ มันเนเป็นทุกข์ไม่รับก็ไม่ได้อีกถ้าไม่รับภาระยิ่งทุกขใหญ่ยัยยงงี้คาว่าเกิดขึ้นมาเป็นคนก็ออเกิดมนโลกมันทุกข์อย่างนี้ทิ้งก็ไม่ได้เอาก็ไม่ได้จะเอาก็ไม่ดีทิ้งทำไมพระพุทธองค์ยังตรัสเทศนาแล้วโลกอันนี้เกิดขึ้นมาตี้งแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็บอกไปไม่มีอะไรแล้ว ในโลกนี้มีทุกเกิดขึ้นมาแล้วดับไปทุกปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปทุกอื่นมาแทนอย่างทุกในการหิวก็หายทุกในการอยากได้อยากมีเงินมีทองไว้ใช้สอยปัญหามาได้กต่รู้สึกเหมดไปเรื่องทุกข์หายแล้วก็ทุกใช่ละครจะต้องจัดจ่ายใช้สอยเงินทองนนั้ที่เราได้มาเราไม่ใช่มันจะไม่จ่ายให้เราแล้วจ่ายมันต่างหากมันเป็นคนใช้มันต่างหากไม่ใช่มันมาใช้เรา หาก็เป็นเราคนค้นหาใช่ก็เราเป็นคนใช้รักษาก็เป็นเราเป็นคนรักษาไม่จา่ายจะทําไงถ้าไม่มีก็ไม่ได้มันต้องมีแหละของนี้นนอยู่ตกับหนของนี้หน่วยทุกนี่หายไปทุกอื่นมาแทนอยู่อย่างนี้เวียนกันไปเวียนกันมาอย่างนี้นั้นเองว่าคนเรานั่นไปรับภาวะเรื่องโลกนําโลกไปแล้วก็รับภาวะโลก เป็น้งความเป็นทุกข์จะทํายังไงจะทิ้งตรงไหนมันยากมอไม่สามารถจะไปทิ้งใหใครแต่ทิ้งให้ใครใครก็รับไม่ได้อีกทุกคนแบกหนักทุกคนแล้วไอ้มันแบกอยู่ทุกคนนล้วทุกดวงสอนหลายด้านหลายทางสอนวิธีที่หกทิ้งทําคุณงามความดีถึงแม้ว่าจะแบกได้จะหนักอยู่ไปช่างมันมม่นเถอะทําดีทําดีพื่อแรงบังคั หนักก็ค่อยพอนหนักจะเป็นเบาค่อยคลายลงไปคนเราถ้าหาก็มีของดีเป็นเครื่องอยู่แล้วอันของหนักหนักมันก็ค่อยคลายต้องหายไปอย่างคนเราเป็นทุกข์เป็นโศกรุ่ม อ, อกคลุมใจถ้าหากเาเรามาคิดเป็นคุณงานคนดีอันคลุมคลุมใจได้ทุกสูงหลายอะไรเจ็บไข้ได้ปวดมันค่อยเบาบางค่อยหายไปคลายไปผู้ที่จะองค์ยังสอนไม่ผ่านการดีสร้างคุณงานคนดีโดยประการต่างๆแต่ทาทาได้วยวัตถุประชาน เพื่อปฏิบัติจริยธรรมโดยคําสอนพระพุทธเจ้าโดยทางปฏิบัติก็ใช่ได้จได้เหมือนกันแต่ขอมันถูกทางที่ดีแล้วไปแล้วเพื่อแก้ไขเรื่องทั้งหลายนี้จนกระทั้งสอนให้รู้จักงดเว้นจากความชั่วทางเป็นเหตุที่จะให้มาเกิดเป็นคนได้คนทุกขเวทนาและได้รับวิบากอย่างที่อธิบายมานั่นแหะ ให้รักษาศีลงดเว้นที่จากคนชั่วอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ยังมาเกิด่มาเกิดทุกข์นะมันมีชิ้นห้า ม, มันคงมัมีชิ้นแปดบริบูรณ์ตามกาลเวลานอกจากนั้นท่านยังสอนในพุทธสามารถที่จะากบวชเรียนในพุทธศาสนาและเป็นพระเป็นเนรยินสอนให้ละเอียดลึกซึ้งมากก็เพื่อจะตัดหนทางที่อยให้มารับทุกข์นี่แหละตัดหนทางที่มันจะมาก่อเกิด ให้ก่อนได้รับของทุกเงินอีกนั่นเองมีวิธีโฟมสองก่อนและอยางนอกจากนั้นอีกโฟม่องให้ภาวนาเราจะสอนร่างกายถึงจะสอนภาวนาเย็นหาวทั้งขาทั้ททงกายให้เห็นตามเป็นจริงดังอธิบายมาไม่มีทางที่จะไปทิ้งไม่มีทางที่จะเอาทิ้งก็ไม่มีใครเอาจะทิ้งไหนก็ไม่พ้นจากมือของเราเอาก็ไม่ได้ มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ถึงเวลามันแก่มันเกิดมันตายก็ไปตามเรืเออ่องทำไมเราหาไม่ได้สอนได้บางทำไงยังจะเห็นว่าเป็นของอนัตต์คือไม่ใช่ตัวนนตนของเราจึงมีวิจิตที่สอนในทางกรรมฐานสอนให้พิจารณาแยกสังขารให้เห็นเป็นเกษาโลมานะคะธรรมตาตาโจอะไรเยีย yeah, มเป็นการสามที่สองพอเราไปเห็น ในการตายที่สองไม่ใช่เกีกับคนเลยไม่เกี่ยวตนไม่เชี coastal, ่ตัวเลยนะเป็นแต่อาการอาการและอย่างอย่างแยกออกเป็นตนแยกแยกออกไปขึ้นชิ้นเป็นชิตนไปแล้วไม่มีตัวไม่มีตนมีคนนี่อุบายนี่ชิดอย่างละประทานคนยึดถือยิ่งก็ไปให้นักสอนให้พิจารณาอสุปัฏฐกปฏิปุปเขปฏิปูปเขื่อโคเขื่อเน่าตัวตัวคุณเราน่ะจะเป็นเด็กเป็นหนุ่ม กตามเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นคล้ายๆกรตามเป็นพรเป็นในข้ารชการสึมันเป็นของปฏิกุลธรรมชาติอยู่แล้วคือของหน้าเกลียดของโสโคแต่เราไม่มองมองแต่ด้านดีมองแต่ของดีทั้งหมดของที่กักลบไปหมดอะไรของที่มันจำไปจริงผมซึ่งเราเข้าใจเป็นของสุดสวน บางคนนถึงมั น, ง, มนงอกมันขาวก็ต้องไปย้อมออกเพื่อปกปิดไว้ไม่ให้หน้าเทียงในีน้ปิดไว้เพราะไม่จริงมันแก่ามามันก็ต้องงอกขนเล็บเหมือนกันต้องย้อมต้องขัดต้องสีต้องทากวอนน้อหนังไม่มีก้อนมันหลุดก็ต้องเอาไปใส่ไว้หน้าเทียงไม่ใช่ไมไ่เลยสะดวกสบายในโดยมากปกปิด ไม่ให้มันโว่ไม่ให้มันหนาเกลียดมัพอมุ่งไปในตอนนั้นมากกว่าที่มันหลุดไปนั่นแหละบอกไม่ได้สอนไม่ได้ไม่ได้ผไปหนังฮดหูยุย่ยนไปโดยประการต่างๆนั่นนานะครับเหว่ตกเป็นกะหนังเนื้อก็หุบเหว่ยุ่ยนไปโดยประาร เคยเป็นงั่งเคย อ, อุดมสมบูรณ์มีพันธสัญญาณมนต์มนต์นานแล้วเข้ากันค่อยเสื่อมสุนภาพโดยเราไม่หนึ่งคำหนึงโดยเราที่ไม่ได้ตั้งใจอย่างเดียเปลนและเราไม่ไม่ได้นึกคิดว่าไม่จะเป็นอย่งางนี้จะเจ็บก็อาการนี้เป็นอย่างนี้เป็นเรื่องอน้าตาไม่เกี่ของเราใช่ไหนะเวลาพินิจเจ็บจะปวดจะไขเวลามันจะแตกระดับยิ่งเป็นเห็นหน้าตาชัดเข้าเรื่อ ท่านให้ไปเจนายเห็นน่ะโอ้อันนี้กสภับมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันก็เป็นไปตามเรื่องการก็ตามเป็นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าสังขารร่างกายในโลกอันนี้มันแตกหววมันหมูนตัดคำว่าหมุนในที่นี้น่ะตั้งแตเป็นเด็กมาไปถึงเป็นสาวแก่เฒ่าสบามดาชั้นุึกๆลงจากเราเมื่อกิเลสมาทันจินสุดคือมันบรรจะกิเลสมาทันหมดมันมีความยึดมั่นถือมั่นอุปทานคือแก้มันทันหมด นี่นถือว่าของเราของเราไม่เห็นอนาตาาตามสภาพเป็นจริงไม่ต้อจะต้องกลับมาเวียนเป็นเด็กอีกแล้วอีกตามเดิมเป็นเด็กแล้วกลายเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกวนเวียนก็อย่างนี้พระพุทธองค์ท่านเห็นชัดตาเป็นจริงแค่สอนคนนั่สอนกว้างสอนขวางนะสอนกว้างกวงสวุงสงดคนเราคนสัตว์นันอาจจะเป็นอันเดียวคนก็ได้ บันที่คนบิดามดาดามเราตายเป็นหมูเป็นเป็เดเป็นไก่หรือเราเป็นวัวเป็นควายคนไปมากินบางทีอาจจะไปกินเนื้อดีดามดาของเราก็ได้บุตรพันนยาสามีก็เหมือนกันบางทีอาจจะตายเป็นสัต์แต่และตัวก็ได้หรือคนเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้อาจจะเป็นคู่ของสามีพันนยาสามีก็ได้ไม่ได้ชาติใดชดรติหนึ่งไม่ได้พบเด็ไม่ใช่พบเด็กไม่พบเดนี้ได้จงรักทักตีเมตตาตอนนี้ต้องสารเดินดูซึ่งกันและกันให้ถือเป็นอันเดียวกัน ทันสอนกว้างกว้างท่านก็สอนเพือ่อว่าเนื่องจากก็มันสายมันไม่ขาดเ ย, นย็นไหวทิดตอบไนนี้ตตอบมีหลายคือตัวประทานใ น, นตัวทิศผู้ที่ต้องการอยากจะพ้นจากทุกข์หรือพ้นจากวัฏาาสงศารต้องการจะตัดกระแสการสังเทศอย่าลืมหลักหลักที่ยกขึ้นบนตนที่เรียกว่าทำอยู่ในโลก เราจะเลือกเอาธรรมะ เ, รเลือกเอาในโลกนี้อธิบายมานี่มาพูดถึงเรื่องเราเห็นโทษเห็นทุกข์เราอยากจะหนีจากทุกข์อุบายที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราพ้นจากทุกข์โดยอุบายต่างๆหลายอย่างหลายประการจนกระทั่งใดแสดงถึงเรื่องให้พิจารณาให้เห็นโลกเป็นอนาาัตตาโดยพิจารณาให้เป็นอนุภาพพิจารณาให้เป็น ทุกข์ก็ได้เห็นเป็นโทษทุกข์หรือเห็นเป็นอสุภาพปฏิคุณหรือจะแยกออกไปเป็นขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวตัวมันนั้นเป็นโลกนะเป็นเวทนาเป็นัญญาเปนสัญญาหรือจะแยกเป็นอายตถานคือโลกอันนี้แหละออกเป็นสัดเป็นส่วนเมื่อเราแยกสิ่งทั้งหลายนี้ให้เป็นสมุติเป็นธรรมะเถอคนมันจะหายไป แงไม่ได้ถือว่าคนจะไม่ได้ถือว่าตนว่าตัวไม่ได้ถือว่าหญิงว่าชายไม่ได้ถือว่าหนุ่มว่าแก่ไม่ได้ถือว่าพระว่านินไม่ถืออะไรทั้งหมดจนกระทั่งชิงนั้นเห็นเป็นทสื้าผาว่าเกิดขึ้นมาเป็นรากหการณ์แวมันก็สลายไปตามเรื่องเท่านั้นถ้าพิจารณาอย่างนี้ได้แล้วเป็นธรรมคำว่าธรรมเลือกเฟ้นลึก กลั่นกองออกมาจากโลกมันกลั่นมาด้วยการอย่างนี้ถ้าหากเราไม่รู้จักกลั่นกองเราจะวังอยู่ในโลกนั้นตลอดเวลาไม่มีเวลาที่จะออกจากโลกได้เลยโลกเป็นยังไงมันก็นนจะเป็นอย่างนั้นตลอดกางพระพุทธเจ้าท่านได้โลกแล้วพระสาวกของพระองค์กท่านก็ได้โลกแล้วท่านก็พิจารณานี่แหละมากลั่นกองออกจากโลกเนี่ยท่านยังไม่ได้ทำหรืออีกในะหนึ่งที่เรียกว่า พระพว่าเจ้าขอเราตรัสรู้ซึ่งใหญ่ใหญ่ธรรเพื่อตรัสรู้ในโลกคนี้ไม่ได้มีในโลกอื่นหรือที่ท่านแสดงเรืนน่องคุณวิเศษที่คมตรัสรู้ของพระที่ว่าธรรมะที่ว่าโลกไอ้ที่ว่าโลกวิทูรูแจ้งโลกอย่าไปดูไอ้โลกอื่นอย่าไปเที่ยวสถอไปเที่ยวไปแล้วลนะ่ะคนเราเที่ยวกันน้ำไอ้ตัวเนี่ยที่เนะที่ยวรอบโลกวันี้ไปก็ไปกันทั่วหมดแล้วล่ะแต่ก็ยังไม่ทันเห็นโลกเปนฝันนี้ ไม่ดูแจ้งโลกกันแาน่นี้ไปเท่าไหรก็ยิ่งหลงไปที่ไรก็มีแต่เมามีแต่หลงไม่เห็นแจ้งเห็นจริ ง, ร ง, ร ง, รงสักทีคาว่าเมาข้ามาหลงในนี้คื่อว่ า, วาไปแล้วมันมีแต่ติดไปแล้วมีแต่ไปหลงไปมัวมาไปเพิดเพลินไปดูความจเจริญของบ้านของเมืองของประเทศภูมิประเทศเหตุา ก, การณ์บ้านเมืองอะไรแหลงลืมตัว ทังคนจะเห็นได้ทีเอาไปเที่ยวประเทศนอกลกลับคือมาเยีออย่ยนญาู้ถูบ้านต้นของตนต น, ต น, ตนอะไรอะไรในธรรมนร น, นั้นมากมายนั้นเรียกวา่ายังไม่ทันเห็นโลกยังไม่รู้แจ้งโลกถ้าให้รู้แจ้งโลกก็ต้องมารู้ตรงนี้มาเห็นขันทะโลกคือตัวมันมาแยงแยะเอาเป็นสัตว์เป็นส่วนดังอธิบายนมาคือเห็นไม่มีสภาวะไม่มีของจริง เห็นเป็นแต่เพียงวัตภาพมันเกิดขึ้นแล้วดับไปคือมันเกาะตัวขึ้นมาแล้วมันก็ค่อยฉลายแปรวัภาพไปดับไปเห็นอย่างนี้จริงจะเรียกว่าเห็นแจ้งเห็นชัดรู้แจ้งซึงโลกเรียกว่าโล ก, กวิถุคุณธรรมมาเทียวพุทธเจ้าทั้งตัลลุนนะโล ก, กวิถุเมื่อรู้แจ้งเงี้มันก็หายเมาไม่หลงแล้วเติมเต้นไม่หม คนที่เห็นแล้วไม่อยากไปไปเห็นไหนกระตามถอดไปประเทศนอกก็ตามไปไหนกระช่างไปดูอะไรก็ตามก็เห็นแล้วไม่อยากไปถ้าไปเห็นก้าวแตนจริงแล้วไม่อยากไปคนที่ไม่เห็นโลกคือขันทะโลกนี้พลาดแล้วก็ไม่อยากเกิดไม่อยากมาเกิดดีในคนที่สุดการที่ไม่อยากมาเกิดไมันจะกลับกลายเป็นโลกกระทำไปอีกเหมือนก่นถ้าเห็นตามสภาอผาตามจริงจริงถ้าเป็นธรรมะทแท้แล้วก็ มันไม่เดือดร้อนเป็นทุกข์เห็นแล้วก็สักแต่ว่าเห็นคือเห็นกวมรู้กวมเข้าใจแล้วก็อันนี้เป็นความรู้ควมเข้าใจอันนั้นเป็นอันนั้นเป็นโลกคือหมายความคนหนึ่งเป็นคนเห็นโลกนั้นเป็นสิ่งที่ผู้เห็นในปรากฏคือคนหนึ่งไปเห็นไปเห็นโลกนั่นเองคลิกคือปัญญานั่นเองไปเห็นโลกถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่เห็นโลกถ้าโลกมันมีปัญญาก็ไม่เห็นเห็ุนั้นยังว่าให้มันมีอยู่จะดีกว่า เอาให้ตามเรื่องเอาไว้ดูอันถ้ามันไม่มีได้ไม่จ่ายไปดูอะไรถ้าพูดในหลักพจนาจริงๆแล้วที่เรียกว่าปัญญาวิปัสสนานนั้นก็คือว่าปัญญานี่เข้าไปรู้แจ้งโลกนั่นเองที่เรียกว่าปัญญาวิปัสสนานถ้ามันมีโลกแล้านนั้นทำไมจ่ายไจะไปดูอะไร ไม่เห็นโลกไม่รู้จักโลกแล้วก็จะไปเบื่อหน่ายจากโลกได้อย่างไรไจะหนีจากโลกได้ไหมหนีไปมันอาจจะไปตามโลกเขาอีกได้หนีจากโลกนี้อาจไปตามโลกอื่นก็ได้ถ้าไม่รู้แจ้งโลกถ้ารู้แจ้งโลกก็หมายความปัญญาโฆษนานนคนเราชอบอยู่ด้วยความสงบชอบอยู่ด้วยความว่าไม่อยากให้อะไรปรากฏถ้าอะไรมาปรากฏตามตาและตามปัญญาเห็นเสร็จ ถ้ามาแรกก็ไม่ชอบใจถ้าเป็นเขายังมีกิเลสต่อไปทําจริงถ้าหากว่มีปัญญาเห็นอะไรแล้วก็ติดในสิงนั้นเห็นภายนอกปรากฏกับสายตาภายนอกก็ไม่ติดจะเป็นลูกเสียงอะไรก็ตามจะเป็นลูกอะไรก็ตามลูกดีลูกไม่ดีก็ต่างเสียงดีเสียงไม่ดีก็ชัดจะต้องไปติดเป็นหลงในเรื่องในไอ้ภายนอกของภายนอกถ้าหากว่ามีปัญญา ให้ปัญญาเกิดจากสมาธิคือหัดอารมณ์ภานาทําสมาธิที่มีปัญญาเกิดขึ้นดึกดื่นทานานเข่งพิจารณาขังขานดังอธิบายในเบื้อง ต, ต้นให้เห็นเป็นอสุอภะปฏิกูลเห็นไม่นกองทุกข์หรอเห็นเป็นแยกเป็นสัดเป็นส่วนออกไปแล้วจิตจะไม่เข้าไปติดอยู่ในรูปนะจะไม่เข้าไปติดในเสียงนะเสียงนั้นก็เป็นได้สัก ว, กกว่าขึ้นอมรูปก็เป็นสังเกตเสื่อมถดถอย เนชัดคลอนเข้ามาให้ปรากฏแต่ต่างเห็นเพียงสักเท่าเพียงแค่นั้นแล้วก็ไม่ได้เข้าไปติดกรุมเรื่อง้ามันก็จะมีอะไรก็ของไม่ติดอย่างเดียวในอธิบายเรื่องขันหามาในเบื้องตน้นพระราช า, าเนวีร์จะขันธาวาชารุงจะพุทโลที่อธิบายมานั้นในตอนท้ายนิคิปิตวากรุมภารังอันยังภารังอนัตญา ถ้า ท, ทิ้งเสียขั้นห้านะถ้ ท, ทิ้งเสียแล้วก็ไม่เอาขั้นอื่นมาเป็นอารมณ์คือมันไปยึดขั้นอื่นนิจฉะโตพระนิจบุตรดับสนิทแล้วนิจฉะโตก็ไม่มีขบอยากภายในนิบุตรก็แปลว่าดับแล้วอันคขมอยากนี่ทั้งอยากดีอยากชั่วทั้งอยากได้อยากไม่ได้ไม่อยากอยากไม่ได้กับมัก็เดือดร้อน อยากได้ก็เป็นการเถือดร้ถ้าตกปลงเป็นเรื่องของอยากก็ไม่ดีเท่เหนั้นเงวะอยากให้มีค้อมอยากถ้ายัางยังมีค้อมอยากอย่ า, ยาไปเชื่อส่อเลยว่านันยังไม่ใช่ทำแท้กัอนหรอกยังมีโลกอยู่ยังเป็นโลกกระทำอยู่ถึงไม่เราจะพิจารณาทำมันก็กลับกลายเป็นโลก อ, อันที่ว่าอะไรมันจะในโลกกระทำอันนี้ถ้าหายว่ากลับมามาอย่างละเอียดอย่างที่ว่าเนี่ย อยากอนันละเอียดคดีไม่อยากอนะน่าละเอียดก็ดีชอบใจไม่ชอบใจอัน่าละเอียดไปกคดีทําเป็นทําจริงเราพิจารณารมแต่มันจะกลับเป็นโลกอะอะนั้นมมีโลกกับทำพลกันอยู่ครันนี้ถ้าหากว่าทิ้งนะถ้าเราพิจารณาธทมจนกระทั่งเห็นทำเนี่ยเห็นของดีของดีแล้วอัน Strand ที่มันเป็นโลกแล้วไม่อยากชอบใจแล้วไม่อีกเห็นแล้วเป็นของไม่ดีไม่ดีไม่พอโอพอใจนี่มันกลับเป็นโลกไม่อีกกแล้ ทำใหกักกันใโลกนี้จึงควรระวังตงัวในอธิบายทั้งเรื่องแล้วกลั่นกรองเอาธรรมออกจากโลกมาให้ได้ทำเป็นเครื่องอยู่จึงค่อยจะเป็นสุขอยู่ในโลกอันนี้ธรรมมีโลกเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไว้ผู้มีปัญญาเลือกเว้นเอาธรรมออกจากโลกนั้นมาใช้จึงก็ได้ความสุข ถ้ามีปัญญาก็แช้ทังโลกทั้งธรรมอยาจะได้ความสุขสักเท่าไรก็ได้เจือความสุขสักทีเกินตลอดชีวิตจะอยู่ไมีได้โลกกับธรรมอยู่ตลอดเวลาคือมีสุขมีทุกข์มีได้มีเสื่อมมียกย่องมีนั่งเสือนินทางมีเสื่งละเสืยศมีได้ล่าไดยศอยู่ปาก็อยู่เงินเวียนไหวกันไปมายตลอดเวลาตกลงก็เลยเป็นทุกข์เถื่อ ไม่มีความสุขสัีอันนี้อธิบายในวันนี้ก็เห็นจะพอต้องพ